ความสุขความเจริญสุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะเสนอเรื่องประวัติของรัตปาละเทระบางครั้งเราก็เรียกว่าพระรัฐบาลคือเป็นพระเทระระดับเอตรทัคะรูปหนึ่ง ระัตดไม่ค่อยเผยแพร่กันกว้างขวางในหมู่ประชาชนแต่ว่าในหมู่นักเรียนนักศึกษานักธรรมก็ได้เรียนกันมาตั้งแต่นักธรรมชั้นโถแล้วก็มาต่อที่นักธรรมชั้นเอกในเรื่องของท่านก็ปรากฏในประเด็นธรรมสามสี่ประโยคมาเรื่อยๆมากบางน้อยบ้าง ก็าตามแต่ประเด็นที่ท่านจะยกขึ้นมาในกรณีของเทราคาถาซึ่งนำข้อความจากพระไตรปิฎกที่เป็นพระคาถามาอธิบายขยายความเพิ่มเติมจากเรื่องที่พุจาทรงแสดงบ้างจากเรื่องที่ท่านเล่าบ้าง หลังจากท่านบรรลุพระผลเป็นระหันไปแล้วบพเรื่องเหล่านี้ก็เป็นพระพุทธภาษิตกับพุทธศาสนาสุภาษิตก็หมายความมาตัวประวัติทั้งหลายนั้นในแง่ของความเป็นจริงก็คือเรื่องจึงมีการพูดการแสดงกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละเแต่ว่าในการเล่าเรื่องเนี่ย บางครั้งก็อาจจะเล่าโดยพิสดารบางครั้งก็อาจจะเล่าโดยย่อเพราะก็ไม่จาเป็นที่จะต้องออกมาเขียนไว้ให้ลงตัวตายตัวเขียนมากก็ได้เขียนน้อยก็ได้แต่พอเราได้ศึกษากระจายไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของพระเทะแต่ละรูปนี่สามารถเขียนหนังสือได้เป็นเล่มทัางนั้น เล่มขนาดเล็กหรือเล่มขนาดใหญ่ทุกวันคงเคยได้ยินเรื่องพระอนุ์พุท ธ, ธานุชาที่เรียบเรียงโดยอาจารย์วสีนินทศระเขียนแนวนวนิยาอิงหลักธรรมแต่ก็เป็นลักษณะาการรวบรวมเรียบเรียง จนพี่เป็นที่สนพระไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโซอานลงเทพคาสเซต์490กล่องหนึ่งคือ 10, 10มวลไป12มวลเวลานี้ก็มีการถ่ายแล้วก็นำไปฟังกันแพร่หลายจะจาจนวนเท่าไรนั้นไม่ทราบได้แต่ว่า ก็เคยได้ฟังตลอดแล้วเคยได้รับรู้ว่าที่นั้นก็มีที่นี้ก็มีที่โน้นก็มีเพียงแต่ว่าการนำมาขยายนั้นจะต้องรวบรวมแบบวิทยานิพนธ์มหมายความว่าเรื่องของท่านเนี่ยคือเรื่องของใครก็ตามแม้แต่เรื่องของพระพุทธเจ้าเองก็เถอะ คือไม่ได้นำมาพูดไว้ในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะแต่ก็พูดเป็นเรื่องไปประเด็นสาคัญก็อยู่ที่ตัวพุทธภาษิตแล้วขยายพุทธภาษิ ต, ตเหล่านั้นผลโครงสร้างมันก็คล้ายๆกับเรื่องปรัญญากลุธัญญาคือเริ่มต้นเป็นอดีตประวัติ อดีตประวัติที่ย้อนไปใครถึงพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปตุมุตระแต่ว่าในช่วงกลางนั้นท่านจะเล่าสกี่เรื่องก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นกับกับกันกันก็เรียกว่าหลายพุทธันดรแต่พระอาศัยยานคือภุเพนวาสาญติยานอาติตังสยาน ที่ระลึกเรื่องราวในอดีตแล้วก็ดึกชาติปางก่อนได้เวลาท่านจะนํามาเล่าเองก็แล้วแต่จะเล่าเล่าเรื่องที่มันสอดคล้องกับกรณีที่ประลังเกิดขึ้นในเวลานั้นเวลาพระพุทธเจ้าจะรับสั่งเล่าก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องที่มันสอดคล้องกับกรณี ขวัญก็ความในตอนต้นท่านเล่าว่าก่อนแต่การที่พระพุทธีพระภาคเจ้าพระนามว่าปตตุมุตระจะเสด็จอุบัติขึ้นนั่นแหละแต่รัตตปาราเทระรูปนี้ได้เกิดในสกุลคือลปดีมาสามในพระนครหงษสวดีก็เป็นพระนครที่พระพุทธเจ้าสมพระนามว่าปตตุมุตระทรงอุบัตินั่นแหละ แต่ว่าท่านเกิดมาก่อนเมื่อเจริญไปแล้วบิดาบ้รนดาล่วงรับไปแล้วก็ได้ครอบครองบ้านเรือนสืบแทนเห็นทรัพย์สมบัติที่ตกทอดมาตามลำดับสกุลนับไม่ถ้วนที่จะหน้าที่เรือนครังแสดงให้ดูจึงคิดว่าบรรพชนทั้งหลายมีบิดาปู่ทวดเป็นต้นของเรา จะนำกองทรัพย์ประมาณเท่านี้ติดตัวไปได้เลยแต่เราควรจะนำติดตัวไปให้ได้แล้วให้ทานแก่คนกับราและคนเดินทางเป็นต้นก้อนี้พึงสังเกตว่าความคิดของคนที่มีบารมีมันมองโลกยะวัตถุแตกต่างจากคนทั่วๆไปก่อนหน้านั้นก็คือพระพุทธเจ้าของเรา ที่เป็นสุมเมตดาบดและสุมเมตมานบ ก, ก็เป็นเศรษฐีในวันนภาามเป็นลูกโทนที่สืบต่อกันมาเจ็ดชั่วสกุลพอบิดามารดาได้สิ้นไปทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ตกทอถึงท่านแต่ทันที่ครังนำทรัพสมบัติมาให้ดูมันมากมายมห า, าศาลจริงๆเพราะความคิดต่งเหมือนกัน ท่นคิดว่าบรรพชนตั้งแต่บิดาเป็นต้นขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวครอบครองทรัพย์สมบัติเหล่านี้อยู่แต่ว่าตัก็จริงเวลาท่านจะตายท่านก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยแตเราจะไม่เอาอย่างท่านเราจะนาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปด้วยนั้นแสดงถึงความฉลาดคิดฉลาดรู้ ถึงความม่เที่ยงแท้ยังยืนของชีวิตและทรัพย์สินซึ่งอย่างไงก็ต้องพากจากโลกนี้ไปชีวิตก็ต้องพากจากไปทรัพย์สินก็ต้องพากจากไปของเงิเป็นที่รักที่ช่างเป็นมิตรเป็นสุดสูปก็ต้องพากจากไปทั้งหมดแล้วท่านก็ฉลาดถึงวิธีคิดว่านทำอย่างไรจึงจะสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปได้ด้วย ในสุดท่านก็ให้เป็นทานประการให้ทานเนี่ยมันมีลักษณะมักท่านเท่าใดมักตนเท่านั้นก็เป็นผลที่ติดตามตนไปตารท้งกวนแกลักษณะของทานนั้นนั้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าการให้ข้าวน้าเป็นการให้กำลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพันธ์ การให้ญานภาณะเป็นการให้ความสุขการให้ประทีปเป็นการให้ปัญญาและการให้ที่อยู่อาศัยนั้นชื่อว่าให้ทุกอย่างแต่ว่าผู้ใดได้ให้ธรรมะชื่อว่าให้สิ่งที่เป็นอมตะเราเห็นว่าทานมันก็เริ่มประณีตประนีเป็นนีตขึ้นไปเรื่อย และทำหน้าที่กระจัดกิเลสไปตามลำดับพวกสี่ห้าประเด็นแรกก็เป็นส่วนฐานวัตถุแต่พอถึงประเด็นที่หกพี่เจ็ดนะฮะก็พี่หกก็กลายเป็นเรื่องธรรมฐานจึงระทาหน้าที่กระจัดโมหะของผู้ให้และก็โมหะของผู้รับ เมื่อเป็นกิเลสประเภทที่มีโทษมากแล้วก็คลายได้ช้ากผลการปฏิบัติอย่างใดก็ตามที่สามารถขจัดโมหะได้มากผลอันส่งที่เกิดขึ้นก็จะมีบะดังนั้นเมื่อท่านให้ทานไปตามลำดับแล้วก็ได้ปฏิบัติตนปฏิบัติดาบทองหนึ่งผู้ได้พิญญา ดาวบทนั้นชักนาให้ตั้งอยู่ในความเป็นใหญ่ในเทวโลกก็ทำบุญทั้งหลายตลอดชีวิตจุติจากอัตาภาพนั้นแล้วได้บังเกิดในเทวโลกสเสวยที่ประสมบัติอยู่ในเทวโลกนั้นตราบจนสิ้นอายุอันนี้เราจะเห็นว่าดาวบทเนี่ยพวกฤาษีพวกนักพรตพวกนักบวชซึ่งดลีกเร่นไปหาความสงบ โดยเฉพาะเรื่องกายกับเรื่องวิ จ, จารแต่ว่าท่านก็แนะนำไปที่เทวโลกเพื่อแทนที่จะแนะนำไปราบปรมาโลกมันก็แสดงถึงพัฒนาการในการคิดในการมองหรือว่าศักยภาพของคนที่เป็นอาจารย์เองว่าสามารถจะสอนลูกศิษย์ได้มากไมมแค่ไหนเพียงไร ล, ล่ะ กานก็เห็นว่ามานุษย์นั้นมีทรัพสมบัติอยู่มากตัก็ต้องให้ทานเพื่อหวังผลในเทวโลกก็เรียกว่าได้อายุชิพวันนาชิพสุขชิดราลชิดแล้วก็ความเป็นใหญ่สมบูรณ์ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจ ก็แม้แต่เทวดาก็ยิ่งย่อนกันขึ้นไปตามวัตถุที่ให้ตามบุคคลที่รับตามเจตนาในการให้ตามสถานภาพของผู้รับในขณะนั้นนั้นพ้นต่อจากนั้นไปก็มาเกิดเป็นลูกชายคนเดียวของสกุลที่สามารถจะช่วยพดุ่มรัฐที่แตกแยกไว้ในมนุษย์โลก หมายความมามีบารมีมากๆนะฮะเป็นเทวดาที่จุติลงมาเขาเรียกว่าเป็นเทพมาเหศักดิ์ที่จุติลงมาเพื่อทําประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลให้แก่ประเทศชาติและประชาชนของตนก็ตั้งนองบรรพุรุษของเราเช่นพระ น, นเรศวรก็ดีพระเจ้าตากศินก็ดีหรือท่านที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักปราชญ์ทั้งหลาย อายุท่านไม่นานเท่าไรหรอกแต่ว่าชีวิตของท่านได้ใช้ไปเพื่อประโยชน์แกมวลมหาประชาชนดังกว้างขวางนั้นก็แสดงย้อนกลับไปสู่อดีตในเรื่องภูเพกตะบุญญาตาคือท่านที่ได้ทำบุญไว้ในการก่อนก็หมายความว่าบุญนั้นก็จะติดตามไปในรูปเป็นสามจังหวะคือบุนยังหนึ่งก็ให้ผลในปัจจุบัน บุอีกช่วงหนึ่งก็ให้ผลในชาติต่อไปอีกช่วงหนึ่งก็จะให้ผลในภพชาติต่อต่อไปจะเป็นกี่ชาติก็ไม่รู้แหละแต่เราจะเห็นว่าจากมนุษย์ไปสู่เทพเทพกว่ายายุต้องยืดมากแลจากเทพมาสู่มนุษย์ที่มีเดชานุภาพก็เรียกว่า สามารถประดุมรัฐที่แตกแยกการไว้ได้ในมนุสโลกเกิดขในขณะที่ประชาชนกาลังแตกแยกกอยู่ภายในชาติบ้านเมืองท่านก็สามารถปำรุงรักษารัฐไว้ได้ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปฐุมุตตะได้เสด็จขึ้นแล้วในเทวโลก ทรงประกาศพระธรรมอันประเสริฐอยู่ทรงให้เหล่าเวไ น, นถึงภูมิภาคอันเกษมกล่าวคือมานะคอ น, นิพานกุลบุตรนั้นก็เติบโตขึ้นโดยลำดับพอหนึ่งได้ไปยังวิหารพร้อมโดยวาสกกละเห็นพระศาษษษสดาทรงแสดงธรรมก็มีจิตเลื่อมใสฟังธรรมอยู่ท้ายบริษัททีนี้การ ที่คนหนุ่มคนหนึ่งมีฐานะมั่งคังร่ำรวยมีอานุภาพมากฝ่ายใจสนใจเข้าสู่ศาสนาขนาดไปนั่งฟังธรรมเนี่ยท้ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะคนจะต้องมีพื้นฐานคือปุเพกะตะปุญญาตา มีบุญที่กระทำไ้ในการกอนแล้วในชีวิตนั้นได้คบหาสมาคมกับสัตบุรุษด้วยความธรรมของสัตบุรุษแล้วก็นำมาคิดปินิดไปจนาจนปฏิบัติธรรมของสัตบุรุษแล้วก็ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบได้แต่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องกระบวนของเหตุผลด้วยกันทั้งนั้นแหละ ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาลอยๆหรอกดังนั้นคุณระบุตู้นี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นพอดีพระพุทธเจ้าทรงระนาว่าปปโตรมุตตะทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาคือว่ากันตามความจริงแล้วพระที่บวชเนี่ยแม้ในสมัยพุทธกาล เราจะพบว่าเจตนาเดิมไม่ได้เหมือนกันไม่ได้หมายความมาทุกโรคต้องบวชด้วยศรัทธาส่วนใหญ่นั้นแน่นอนบวชด้วยศรัทธาแต่ส่วนหนึ่งอาจจะบวชเพราะยากไร้ประขาดแลนญาติพี่น้องไม่มีที่พึ่งพา น, นักอาศัยบางคนอาจจะบวชเพราะเพื่อนบางคนอาจจะบวชเพราะจําใจ บคนอาจจะบวชเพราะจำเป็นก็แล้วแต่หมายความว่าเจตนารมในการบวชไม่เหมือนกันก็ทิศทางนั้นคนมาปรับกันทีหลังแต่ว่าการที่เห็นภิกษุรูปหนึ่งเห็นคนได้ดีพูดง่ายาเห็นคนได้ดีไปตามปกติแล้วคนทั่วไปถ้าเห็นคนได้ดีแล้วสิ่งที่เขาได้นั้นตนเองชอบ มันก็แสดงตามกระแสของกุศลหรืออกุศลถ้าแสดงตามกระแสขององกุศลก็รู้สึกริษยาเห็นคนอื่นเขาได้ดีเพราะว่าอยากได้เสงแต่ถ้าแสดงด้วยกระแสของกุศลก็จะเกิดอนโมธนาสาทุกการเกิดมุติตาจิตนะ จนถึงกับปรารถนาที่จะได้สถานานในศาสนาของพระพุทธเจ้ารูปใดพระองค์ใดพระองค์หนึ่งซึ่งก็หมายความว่าท่านมีความชัดเจนถึงการที่ภิกษุรูปหนึ่งได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าทรงบารามว่าปตัตตมุต ร, ระในตาแหน่งของผู้ที่บวช ด, ด้วยศรัทธาเนี่ยมันก็แสดงว่าเป็นผล ซึ่งกเกิดมาจากเขตที่สะสมศรัทธาอย่างต่อนเนื่องกันมาอย่างสามชาติเนี่เราเห็นได้ชัดประชาติก่อนนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญาว่าปฐมุตตะาจุบัติขึ้นท่านก็ศรัทธาสลทรัพย์สมบัติจํานวนมหาศาลของตนเองก็เรียกว่าสลายกองโภกวสมบัติเพื่อปรารถนาการอุบัติบังเกิดในเทวโลก เกิดในเทวโลกแล้วใจที่โน้มเอียงอยู่กับเรื่องการบุญการกุศลก็เริ่มใส่ใจในาศาสนาตั้งแต่ดเด็กเอานณะไปนั่งฟังธรรมอยู่หลังชาวบ้านเขาเรียกว่าหลังบริษัทคือหมายความว่าคนเข้าวัดใหม่ๆเนี่ยตามปกติแล้วก็จะเข้าไปอยู่หลังๆคอยสังเกต การปฏิบัติตนการวางตนอิยาบทที่ใช้อะไรต่ออะไรต่างๆแล้วพอเห็นการแต่งตั้งภิกษุก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสยอยากจะเป็นภิกอย่างภิกษุรูปนั้นบ้างแต่สํัหรตัวภิกษุนั้นท่านก็ชื่นชมนะอนโมทนาชื่นชมยินดีแต่ท่านเองก็ปรารถนาแต่รู้ว่ามันเป็นผล เมื่อรัวเป็นผลก็ต้องสร้างเหตุเพื่อเกิดผลเหล่านั้นดังนั้นจึงได้ในครั้งแรกก็ตั้งจิตไว้เพื่อต้องการตําแหน่งนั้นแล้วก็ได้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปตุมุตระก็แสดงว่าฐานะมังคลังร่ารวยมากก็เลี้ยงพระเป็นแสนรูปรวมทั้งพระพุทธเจ้าทรงพรนามว่าปตุมุตระ การเลี้ยงพระแสวรูปนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะราคาใช้จ่ า, ายก็ต้องจํานวนมหาศาลศรัทธาก็ต้องมากก็เรียกว่าความเพียรก็ต้องมากสติก็ต้องมากสมาธิก็ต้องมากปัญญาก็ต้องมากทำอยู่อย่างเนี้ยตลอดเจ็ดวันต่อนเนื่องเจ็ดวันหมายความว่าระยะเวลาเจ็ดวันนั้นพระพุทธเจ้ากับพระสาวกนั้นไม่ต้องออกบิณฑบาต ท, ที่อื่น ก็ไปรับอาหารที่บ้านของท่านแล้วก็ทำความปรารถนาต่อพระพักของพระองค์พระพุทธเจ้าทรงนามว่าปตมุตตระทรงเห็นว่าความปรารถนาของท่านจะสำเร็จได้โดยไม่มีอันตรายจึงได้ทรงพยากรว่า ในอนากตการผู้นี้จะเป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาในศาสนาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคตรมะหรือโคดมคือพระพุทธเจ้าเรานี่แหละเธอทวายบังคมพระศาสนาไหว้ภิกษุสงฆ์แล้วก็ลุกจากอาสนะลิน้นอลิ้ไปแต่จากบรร น, นั้นเป็นต้นมานี่มันมีความรู้สึกคล้ายๆกับวิมานในอุ้งหะ มันคล้ายๆกับว่าการได้ตำแหน่งเป็นภิกษุที่บวช ด, ด้วยศรัทธาของท่านน่ะจะเกิดขึ้นในระยะใกลๆ้ๆอ่ะานก็อุตสาหะใหญ่มันก็เกิดขึ้นก็ได้บำเพ็ญบุญทั้งหลายตลอดอายุของตัวเองจุติจากนั้นแล้วก็ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ กันเรียกว่าเดวามนุษย์เสสุคือในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในกัปที่92แต่พัตรกัปนี้ในการของพระพุทธเจ้าสมณะบพุทธะก็เมื่อพระราชโอรสสามพี่น้องผู้เป็นพระพาดาต่างพระมารดาของพระาศาสดาบำรุงพระาศาสดาอยู่ ท่านช่วยทํากิจในการบําเพ็ญบุญของพระราชโอรสเหล่านั้นสั่งสมกุศลนั้นๆเป็นนันมากไว้ในพบนั้นๆอย่างนี้ในกรณีของอพระเชษฐาพาดาคื อ, อพี่น้องสามพระองค์เป็นราชโอรสเป็นราชโอรสของพระพุทธบิดาของพระพุทธสระพนะระพุทธสะไม่ใช่พระวิปสัสสีคือก่อนพระวิปัสสี คือพระเจ้าเป็นดิน่ะท่านถือว่าพระพุทธเจ้าของท่านอ่ะเป็นหัวรถของท่าน ก, ก็เลยไม่ยอมไม่ใครอุปถัมภาา์ไอนี้คือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นถึงผู้ปกครองบ้านเมืองในสมัยโบราณ น, นั้นเราเชียบถึงธรรมปฏิบัติที่ท่านแสดงไปเนี่ย คือเราจะเห็นว่าทศพิตราชธรรมเนี่ยเป็นหลักการปฏิบัติเป็นการบริหารตนบริหารคนบริหารงานบริหารประเทศเป็นหลักการเป็นคุณธรรมภายในประเทศไทยแล้วก็เวลาแสดงต่อประชาชนทั่วไปเนี่ยมันจะออกมาในรูปของราชสังคหาห้าประการด้วยกันทีนี้สำหรับ ทั้งประชาชนทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งอะไรแต่ไรก็จำแนกเอาไว้เป็นสิบสองพวกกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็มีการสงเคราะห์โดยทรัพย์สินเงินทองซึ่งหมายความเป็นไงหมายความมรั ฐ, ฐานั่นเองต้องมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากถ้าไม่อย่างนั้นก็ให้ฐานไม่ได้ทีนี้พอบ้านเมืองเราเปลี่ยน เกียการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในส่วนต่างๆของโลกเกิดขึ้นเราก็พบผลงานของผู้นำประเทศคือนายกหรือประธานาธิบดีของประเทศนั้นๆบางพวกนี่ก็เรียกว่ามากินเงินเดือนแท้ๆเลยก็เล่นการเมืองแล้วก็รวย มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่ามาเล่นการเมืองอยู่พักหนึ่งก็รวยเลยแต่พวกหนึ่งเนี่ยมันมาด้วยใจที่เป็นกุศลมีความสำนึกคุณของแผ่นดินตัวเองก็ได้รับผลประโยชน์จากแผ่นดินนี้มามากมายจะเกินแล้วถึงเวลาจะชดใช้แก่แผ่นดินก็อาสาสมัครตัวเองมาดำเนินการทางการเมือง พวนี้มีทุนส่วนตัวที่ส่วนหนึ่งงบประมาณใช้ไม่ได้ก็ใช้ทุนส่วนตัวไปบริหารประเทศด้วยความตั้งใจจริงๆเืาเรียกว่าจิตสาธารณะรักประชาชนก็จะทำประโยชน์แก่ประชาชนได้มากเพราะในกรณีของ พระราชบิดาของพระพุทธสพุทธเจ้าก็มีลักษณะอย่างนั้นแสดงว่าท่านต้องรวยมากๆอ่ะเลี้ยงพระพุทธเจ้าวันหนึ่งเป็นแสนๆกับพระสงฆ์ไม่ยอมให้คนอื่นเป็นเจ้าภาพเลยราชดรก็ขอแบ่งประชาชนก็ขอแบ่งอามาราชการก็ขอแบ่งท่านก็ไม่ยอมในสุตรพระเจียวรถสามพระองค์ ได้อาศาไปปราบปัจจันชนบทซึ่งมันกำเริบเสือบสารขึ้นมาประสบความสาเร็จกลับมาถึงพระราชบิดาก็เรียกมาจะให้รางวัลชื่นชมพระราชโยรสทั้งสามมากถามว่าต้องการอะไรพระราชกุมารทั้งสามไม่ต้องการอย่างอื่นเลยขอเป็นเจ้าภาพ ธนุบำรุงพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ตลอดไปพระเจบิดาไม่ยอมต่อรองกันมาเรื่อยเลยจนในที่สุดเหลือสามเดือนซึงกงหมายความยังไงหมายความบรราชกุมานเองก็ฐานะ ท, ทางทรัพย์สินต้องดีมากจึงกล้าที่จะ ขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ตลอดไปนะฮะไม่รู้เท่าไหร่ก็แน่นอนแหละน้องมีรายได้ข้าวไม่รายได้ออกแล้วพอถึงพระราชเกุ ม, มากมันก็จะง่ายขึ้นมาข่มันท่านก็มีพวกมา ก, กพวกก็จะข้าวมาช่วยสมทบประชาชนก็พร้อมเพียงกันก็กลายเป็นทรัพย์สินมหาศาลหล้วทีเก็สามารถธนุบำรุง พระพุทธเจ้าก็ประสงค์ได้คือถ้าเราเทียบถึงพลังศรัทธาของประชาชนที่ทำบุญลักบาทให้ทานก่จุดเนี้ยส่วนใหญ่ก็มีฐานะยากจนกับฐานะปานกลางและยังคิดว่าไม่เกิน 35% เปเซของจำนวนประชากรในขณะที่ประสงค์เราก็มีร่วมสามแสน ในขณะที่ประชากรโดลดแคย่ยังอยู่แค่สิบแปดล้านสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยถ้าก็เลี้ยงดูกันมาได้ก็อยู่กันไปได้เพราะว่าเสียสละบริจาค ก, กันไม่มากแต่ในที่นี้พระราชา ก, กุมารเมื่อเห็นว่าขอต่อรองได้แค่สามเดือนแต่นั้นเองก็เรียกว่าองค์ละเดือน ท่านก็ต้องการจะเพิ่มบุญให้มากยิ่งขึ้นในที่สุดก็ขอบวชในสานักพระพุทธเจ้าแต่เป็นการบวชชั่วคราวสามเดือนแล้วก็แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นขุนคลังเป็นเสมียนเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานต่างๆรับผิดชอบในการจัด ก, การเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับการทำนุบารุง พระพุทธเจ้ากับประสาวกแล้วในกลุ่มนี้มันมีคนอยู่พวกหนึ่งซึ่งจิตใจไม่ประกอบด้วยกุศลอะไรเท่าไรหรอกแต่ว่าเป็นญาติของผู้นำในการทำหน้าที่เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ ก็แอบกินอาหารบ้างขโมยกินบ้างแบ่งให้ลูกกินสะก่อนบ้างก่อนที่เขาจะถวายแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ก็ทำให้ตายแล้วไปเกิดในนรกแล้วก็เกิดเป็นเปรต เ, เพราะทั้งหมดไม่ใช่ของตัวเองนะฮะเป็นของขโมยกินดังนั้นเดือแล้วก็ในการของพระพุทธเจ้า พระพาดาสามองค์พี่น้องเนี่ยก็มาเกิดเป็นพวกอุรุเวลากระสปะนาทีกระสปะขยกักกะปะมีความโน้มเอียงไปทางเกณฑ์การเป็นนักบวชสูงอีกหละออกบวชแล้วในการต่อมาก็บรรลุมรผลเป็นพระหานพระฟังอธิตตะปริยาสูตรของพระพุทธเจ้าสมียนนายสมียนที่ดูแลเรื่องเงินน่ะ ก็มากลายเป็นพระเจ้าพิมพิสารที่เราพูดเรื่องพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารเบลที่เป็นพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารแล้วคนหนึ่งก็เป็นวิสาขาอุบาสกปารุมคพเป็นพระนาคามีแล้วก็บริษัทบริวารในคราวนั้นนะ่ะของพระเจ้าพิมพิสารในคราวนั้นนะ ก็ได้มาเกิดเป็นกลุ่มพุทธบริษัทยุคแรกพันแสนสองมื่นคนที่มาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่สวนตาล น, นุมเครยงรัฐทิวันคือสวนตาล น, นมแล้วก็วรรลุมรผลเป็นประโสดาบันไปแสนหนึ่งกับประกาศตนถึงพระนััยสนาคมอยู่แสนหนึ่ง ทุกครั้งเราสังเกตนะฮะ บ, บุญที่ส่งให้ท่านหล่อนี้มันนานเน ก, กันเละมากๆเหมือนกันส่งไปถึงมรรคผลนะฮะแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งคือพระพุทธสานิกรก่อ น, อนพระวิปัสสีไปไลายองแต่ว่าบุญนั้นมันมีเรียกว่าบุญญาพิสันธาคือความหลังไหลของบุญที่สืบต่อกันมาแต่บาปเองก็ไม่เบานะฮะ บาเองก็เล่นจะนสบักสบอมเลยพวกคนเหล่านี้เกิดในพบชาติต่างๆคนอื่นเ็าเกิดได้ดีๆกันท่านเองจากนรกมาก็เป็นเปรตเรร่อนรอคอยการนงโอธนาบุญจากญาติพี่น้องไม่มีใครนึกถึงเลยตอนที่พระเจ้าพิมพิสารถวายพระเวรุวันแก่พระพุทธเจ้าและพระหานทั้งหลายเนี่ย วันนั้นท่านก็ถวายฐานถวายเสนาสนะและถวายฐานแก่พระพุทธเจ้ากับด้วยพระสงฆ์ตอนนั้นก็มีเพียงเท่าไรละพันสองร้อยห้าสิบรูปแต่พระเจ้าพิมพิสารท่านไม่รู้เรื่องมันเรื่องโบราณมากเลยไม่ได้โกรดนะมุทิกุศลไปให้ ตกกลางคืนพระญาที่เป็นเปรตแสดงอาการร้องไห้หยหวนหน่าสยดสยองพองขนบางทีก็แสดงตนเป็นเปรตในภาพลักษณ์ต่างๆน่าหวาดกลัวน่าสะดุง้งเรียกว่าพระเจ้าพิมิสารก็บันทมไม่หลับก็แล้วกันเช้ามืดก็สเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูนัห้ฟังถึงปรากฏการณ์ที่ทรงได้ยินตอนกลางคืน พระเจ้าก็รับสั่งให้ทราบว่าไม่ได้มีอันตรายอะไรแก่หมาบ่อพิษหรอกแต่ว่าพวกนี้เป็นเปรตที่รอคอยการอุทิศส่วนกุศลมาจากพระองค์ซึ่งเป็นพญาติกันน่ะทึ่เป็นญาติกันในสมัยโบราณน่แต่วันเมื่อวานเนี่ยพระองค์ก็ไม่ดูทิศกุศลให้เขาเขาก็มาทวงเพราะเขได้รับคันพยากรณ์ว่าจะได้รับส่วนอุทิศส่วนกุศลและพ้นจากความเป็นเปรตในเมื่อพระ พระเจ้าพิมิสารอุทิศสนย์นกุศลให้พระเจ้าพิมิสารก็กราบทูลถึงวิธีปฏิบัติพรุทธเจ้าก็แนะนําให้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์มีหลวงพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็ตั้งใจกรวดน้ําอุทิศสนย์นกุศลไปให้ผลประเพณีการกรวดน้ําเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในยุคนั้นครั้งแรก สมัยโบราณก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาเขากรวดน้ำเนี่ยเขาจะลงมากลางแม่น้ำเลยแล้วก็หันหลังให้น้ำที่กำลังไหลลงมามองไปในด้านน้ำน้ำไหลลงนะฮะหลังก็บราทะน้ำที่กำลังไหลลงมาแล้ววักน้าขึ้นไปแล้วก็กรวดอุทิศส่วนกุศล แต่คำเหล่านี้ก็นํามาใช้อนุโมทนาของคณะสงฆ์จนถึงปัจจุบันเนี่ยเบรบว์พ่วงน้ําอันเต็มย่อมยังหมาสมุทรสาครให้เต็มได้ฉันใดทานในท่านบริจาคแล้วในโลกนี้ย่อมถึงแก่ท่านภุระโลกนี้ไปแล้วฉะ น, นั้นขอความดําริทั้งปวงของท่านจงเต็มบริบูรณ์เหมือนแก้วมณีชื่อว่าโชติรสฉะนั้น แล้วก็ทิ้งใดที่่ันปรารถนาแล้วต้องการแล้วก็ให้พันสำเร็จแก่ท่านก็มาเป็นการให้พรในปัจจุบันได้มาต่อกันนะฮะการให้พรเนี่ยในช่วงที่ว่า ในช่วงที่ว่าอภิวาตนาสีลิสะนิจังวุทาปิจายิโนจตารโหธรมาวัธันติอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยเป็นพระคาถาของพระปฏิเจ้าพันตรงนี้ก็มาจบที่ตอนอิชิตังปฏิตังตุมหมังคิปเมวัสมุจเจตวสมิเจตุสเพปูเรนตุสังขปาจชนโทปนรโสยธามณิชโชติรโสยถาแล้วพระก็รับสัพพีสัพพีก็ สัพพียนะเป็นจริงเป็นช่วงให้พอ่อนผลโดยหลักการปฏิบัติจริงๆการกรวดน้ำเนี่ยตอนที่พระท่านว่ายัดถาวาริวาหาที่แปลว่าพ่วงน้ำอันเต็มย่อมอย่างหมาสมุทรสาครในเต็มได้ชั้นใดเนี่ยคือเขาช่วยอธิษฐานพระนิช่วยอธิษฐานผลการให้ทานแก่สาธุชน ซึ่งโดยสถานะแล้วสาธุรชนจะต้องกรวดน้ําอุทิศกุศลไปให้แต่พอถึงสมัยของพระเจ้าพิมพิสารในการกรวดน้ํามันหลังน้ําลงที่พื้นดินเทรถลงบนพื้นดินไม่ได้ลงไปในแม่น้ำเพราะเราก็กวดน้ําด้วยกันแต่ว่าวิธีกรวดไม่เหมือนกันก่อ น, น้ําก็ใช้น้ําเป็นสื่อทีนี้ พอพระสพีติโยวัชนตุนี่พระให้พรนะฮะองค์ที่สองรับเนี่ยจริงเป็นการให้พรเมื่อเป็นการให้พรเราก็ต้องเทน้ําให้หมดะเทน้ําให้หมดแล้วก็นั่งพนมมือรับพรไม่ใช่ว่าพระให้พรแลยไปนั่งมุกม่กปุม่มไม่บางทีก็เกาะหลังกลาเป็นแถวแล้วบางทีก็มือไปรอไปล้างน้ําที่ ที่กำลังรถอยู่ไม่รู้ทำอะไรคือเรื่องบางเรื่องมันง่ายเกินไปจนไม่มีใครกล้าพูดกล้าเตือนกล้าให้สติวันนี้เรายัางพบทั้งหมดนะฮะแนวที่เอามือไปรอเวลาน้ําหลังลงมาก็เรียก ว, ว่ากรวดน้ําล้างมือให้แก่บรรพบุรุษก็น่าเอ็นดูดีแล้วบางทีก็เกาะหลังกัน บันทีก็กอดหลังกันก็ที่จริงมันเรื่องต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำแล้วก็ไม่จาเป็นจะต้องมีน้าก็ได้ถวดน้านั่นก็ถือว่าเป็นรูปแบบจะมีน้าหรือไม่มีน้าก็ไม่ไม่จำเป็นอะไรเพราะว่าในคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาเนี่ย ก็ทรงใช้เพียงคำว่าอิดังโวยาตีนางโหนตุสุขิตาโหตุยาตโยโดยผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วนี้จงถึงแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขนี้ที่เป็นพระพุทธดำรักก็มีเท่า น, นั้นไอ้ที่เราว่ากันในตอนหลังก็เป็นการเรียบเรียงขีดเขียนขึ้นในตอนหลัง มันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกแต่ว่ามันไม่สัมพันธ์กับบทยถ า, าเพราะบทยถ า, ามันมีสีห้าบรรทัดเท่านั้นเองแต่ว่าบทกรวดนามันยาวบางทีอิมานอิมินานี่ยาวปุญยศิทานี่ยาวมากกว่าจะกรวดน้ำเศษพระก็ยถ า, าสภิจบอดีเวทชัยมันก็ใช้แนวเนี้ยแนวแนวสั้นๆที่อย่าไปแน ว, แนวยาวเกินไป การกรวดน้ำที่ถูกต้องก็คือเราต้องทำบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งและตั้งใจอุทิศส่วนกุศลเหล่านั้นแก่ผู้ที่วายชนไปแล้วผู้วายชนไปก็รับทราบและโมทนาส่วนบุญนั้นแล้วก็รับส่วนแห่งการนั้นโมทนาบุญนะไม่ใช่รับส่วนที่เป็นวัตถุที่ท่านอุทิศให้ และส่วนที่เกิดขึ้นจากการโมทนาบุญแต่เพราะอันโมทนาบุญนั่นเองมันก็ทำให้ร่างของท่านเปลี่ยนแปลงไปเพราะในวันแรกที่พระเจ้าพิมพิสารให้ทานเนี่ยผู้เปรตก็กลายเป็นเทพประบุเทศธิดาสวยงามแต่ไม่มีผ้านุ่งก็แสดงตัวปเปลือยกายให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นก็ตกพระทัยอีกคือไม่ได้ร้องโหยหวนไม่มีผ้า หน้าววาครูอะไรหรอกแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่มีผ้านุง่งก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าอีกพุทธเจ้าก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ถวายผ้าตอนก็ให้ถวายผ้าด้วยพระองค์ก็ถวายผ้าแก่พระพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์แล้วทิศส่วนกุศลซึ่งเกิดขึ้นจากการถวายผ้าเนี่ยให้แก่อดีตญาติที่เป็นเปรตทั้งหลาย เบลก็อนุโมทนาภาพที่ปรากฏเป็นเทพประบุเป็นเทพธิดามีเสียงทิพยยะดนตรีบรรเลงยกย่องสรรเสริญพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เลื่อนลอยสู่นภาากาศก็ไปบังเกิดเป็นเทพประบุเทพธิดาในสวรรค์ิมานไปวันนี้เลยก็กลายเป็นเรื่องที่เรานำสืบกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย คาถาสวดคาถาโมทนาอะไรแต่ไรก็ยังอยู่ในแวดวงตรงนี้นะฮะโดยเฉพาะงานศพมันก็ยังตัดตอนไปจากตรงนี้เอาช่วงหลังช่วงหลังก็ประมาณหกบรรทัดหรือว่าอาจจะแปดนะแปดหรือ 9, เก้าแปดหรือสิบเนี่ยก็แล้วแต่แต่ว่าตัวที่เป็นเนื้อหาสาระจริงๆมันอยู่ชี่สี่บรรทัดหลัง ส่วนเรื่องอืนนั้นก็เป็นการบอกเล่าการแสดงความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ทำบุญอุทิศให้แก่ประชาชนผู้รองรับไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องการจะแสดงให้เห็นว่ามันเรื่องมันไกลมากเรื่องบุญบาปที่ติดตามบุคคลไปเนี่ยถ้าก็เล่าว่าเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลไป หรือเหมือนรอยเท้าเกวียนรอยเท้าโคทีค่เดยบตามล้อเกวียนไปหรือบางทีก็ท่านอุ ป, ปมาว่าเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อมันตามทันเมื่อไหร่มั่อไงผลเมื่อนั้นเพราะฉนันอย่าดูหมิน่นเรื่องบุญเรื่องบาปโดยเฉพาะในเรื่องในลนนักษณะนี้คืออยู่ในกรอบของการผิดสีหน้านี่นะฮะ เวล น, นี้มันมาแรงเกินกำลังที่จะคิดได้ว่าทำไมคนไทยจึงเป็นได้ถึงขนาดนี้การขโมยพระพุทธ ร, รูปการตัดเสียงพระพุทธ ร, รูปขโมยพระเล็กพระน้อยเล่นกันเป็นถุงๆแน่นอนเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ดีขึ้นแต่่าคนเราบางควรจะประกอบอาชีพที่ดีกว่านั้น ทำบาปพระเหตุเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยเลยประบ า, การกรรมที่ตนจะต้องเสวยในอบายเนี่ยมันกินเวลามากแล้วก็ทุกทรมานมากคือพวกนี้ถ้าคิดได้ในขณะนั้นแล้วก็บอกว่าเลิกแล้วต่อกันได้เนี่ยแกก็คิดกลับใจได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่บุญบาปเนี่ย เราหยุดไม่ทําหรือว่าทําได้แต่เราห้ามการให้ผลของบุญและบาปไม่ได้เพรา ะ, ะนั่นจึงอย่าดูหมินบาปหรือว่าดูหมินบุญว่ามีประมาณ น, น้อยล้วนแต่ให้ผลด้วยกันเท่านั้นทุกฝั่งทั้งหลายเสียงทรรจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพ ร, รูในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี